ขณะที่บรรดาผู้ที่ถูกตามได้ปลีกตัวออกจากบรรดาผู้ตามและขณะที่พวกเขาเห็นการลงโทษและขณะที่บรนดาสัมพันธภาพที่มีต่อกันได้ขาดสะบั้นลง َقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَنَا كَمَا تَبَرَّأُوا مِنْنَا كَذَارِكَ لَوْ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ عَلَيْهِمْ النَّارُ يُرِيهِمُ <ت> بِخَارِجِينَ <ص> أَنَّ فَنَتَبَرَّأَ <في> مِنْهُمْ <ق> مِنَ حَسَرَاتٍ وَمَا كَرَّةً هُمْ และบรรดาผู้ติดตามได้กล่าวว่าพวกเรามีโอกาสกลับไปมีชีวิตใหม่ในโลกนี้ อีกครั้งหนึ่งเราก็จะปลีกตัวออกจากพวกเขาบ้านเช่นเดียวกับที่พวกเขาได้ปลีกตัวออกจากพวกเราในทํานองเดียวกันนั่นแหละอัลลอ์จะทรงให้พวกเขาเห็นงานต่างๆของพวกเขาเป็นที่น่าเสียใจแก่พวกเขาและโดยที่พวกเขาจะไม่ได้ออกจากไยนรกด้วยยออินมมาฟลสับ ت ت ان, إن โอ้มนุษย์ทั้งหลายจงบริโภคสิ่งอนุญาตที่ดีๆจากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและจงอย่าตามบรรดาก้าเดินของชัยต่อนแท้จริงมันคือศัตรูที่ทัดแจ้งของพวกเจ้าอินนามาจะมรุ ที่จริงมันเพียงแต่จะใช้พวกเจ้าให้ทำความชั่วและสิ่งลามมกเท่านั้นและจะใช้พวกเจ้าให้กล่าวความเท็จแก้อลลอในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ َإِذَا قِيلَ لَهُمُتَّبِعُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْنَتَّبِعُ يَعْقِلُونَ أَلْخَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءُهُمْ مَا آبَاءَنَا كَانَ شَيْئَاً และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลได้ประทานลงมาเถิด พวกเขาก็กล่าวว่าไม่ได้เราจะปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้พบบรรดาบรรพบุรุษของเราเคยปฏิบัติมาเท่านั้นและแม้ได้ปรากฏว่าบรรพบุรุษของพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดและทั้งยังไม่ได้รับแนวทางอันถูกต้องก็ตามการะนั้นหรือ ล, ละอุปมารบรรดาผู้ปฏิเสธสถานนั้นดังที่ผู้ส่งเสียงตวาดสิ่งที่มันฟังไม่รู้เรื่องนอกจากเสียงเรียกและเสียงตะโกนเท่านั้นพวกเขาคนหูหนวกเป็นใบาตาบอดดอนั้นพวกเขาจึงไม่เข้าใจ บรรดาผู้ศรัทาทั้งหลายจงบริโภคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้าจากสิ่งที่ดีๆทั้งหลายและจงขอบคุณอลัลลอเถิดหากปรากฏว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะเป็นผู้เคารพสการ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله فمن اضطر غير ب ا غ ه ولا عدم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ที่จริงที่พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้นเพียงแต่สัตว์ที่ตายเองและเลือดและเนื้อสุกรแล้วสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพื่ออื่นจากอัลลอ์แล้วผู้ใดที่ได้รับความคับขันโดยไม่ใช่เป็นผู้สาะแสวงหาและไม่ใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเขาแท้จริงแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار แท้จริงบรรดาผู้ที่ปิดบังสิ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำภีที่ล้อได้ทรงประทานลงมาและนำสิ่งนั้นไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่มีค่าเพียงเล็กน้อยชอนเหล่านี้ไม่ได้กินอะไรลงไปในท้องของเขานอกจากไยเท่านั้น และในวันกิยามานั้นอลัลลอฮ์จะไม่ส่งพูดกับพวกเขาและจะไม่ส่งทำให้พวกเขาบริสุทธิ์และพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างเจ็บสอลารแสบ ชนเหล่านี้คือผู้ที่นำเอาแนวทางที่ถูกต้องไปแลกกับแนวทางที่หลงผิดและเอาการอภัยโทษไปแลกเปลี่ยนกับการลงโทษพวกเขาช่างทนต่อไฟนรกเสียนีกระไรดังนั้นอัลล้าห้เราละนี่คือบทเรียนวะรับรู้ดนั้นเราจึงควรจะรับรู้บทเรียี้ นั่นก็เพราะว่าอัลลอ์ได้ทรงประทานคำภีลงมาพร้อมด้วยสัจจะและแท้จริงบรรดาผู้ที่ขัดแย้งกันในคำภีนั้นย่อมอยู่ในการแตกแยกที่ห่างไกล ولكن ا ل ب ِ ر ُ مَن آمَنَ ب ا ل ل ه ِ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتَى المال على ح ب ِّ ه د و ي ا ل ق ُ ر ب َ و َ ا ل ْ ي ت َ ا م َ ى وَالمساكين و َ ب ن َ ا ل س َّ ب ي ل والمساكين وبن ا السبيل والسائلين وفر رقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا ا والصابر ي ن في البأساء والضراء وحين البأس ا ء و ا ل ض ر ا ء وحين البس ออออลลลากีนดุุหาใช่คุณธรรมไม่การที่พวกเจ้าผินหน้าของพวกเจ้าไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแต่ถ้าว่าคุณธรรมนั้นคือผู้ที่ศรัทธาต่อหล่อและวันปรโลกและศรัทธาต่อมาเลยกะต่อบรรดาคัมภีร์และนบีทั้งหลายและบริจาคทรัพย์ ทั้งๆ ท, ที่มีความรักในทรัพน์นั้นแก่บรรดาญาติที่สนิทและบรรดาเด็กกาพรา้าและแก่บรรดาผู้ที่ยากจนและผู้ที่อยู่ในการเดินทางและบรรดาผู้ที่มาขอและบริจาคในการไถ่าทาสและเขาได้ปฏิบัติละหมาดและได้การชํ า, าระ z a กา h และคุณธรรมนั้นคือบรรดาผู้ที่รักษาสัญญาของพวกเขาโดยครบถ้วนเมื่อพวกเขาได้สัญญาไว้ และบรรดาผู้ที่อดทนต่อความทุกข์ยากและในความเดือดร้อนและขณะต่อสู้ในสมรภูมิชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่พูดจริงและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ยังเกลงยาอายุห์ละจีน่ามันุคุติบะ عليكم ุลกิซซฟิล قتلاءالحر بِالحر وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالنُّسَأ ب ِ ا ل ن ُ فمن َ عُفِيَ لَهُ مِنْ أ َ خ ِ ي ه ِ شَيْءٌ ف َ ت ِ ب َ ا ع ٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذ َ ل ِ ك َ ت َ خ ْ ف ِ ي ف ٌ م ِ ن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ع ْ ت َ د َ ى بَعْدَ ذ َ ل ِ ك َ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ พู้สถาทั้งหลายการประหารขาตกรให้ตายตามในกรณีที่มีถูก่าตาย ได้ถูกกาหนดแก่เจ้าแล้วคือชายอิสระต่อชายอิสระและท่าต่ตอท่าหญิงต่อหญิงและผู้ใดที่มีสิ่งหนึ่งจากพี่น้องของเขาถูกอภัยให้แก่เขาแล้วก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นโดยชอบและให้ชาระแก่เขาโดยดีนั่นคือการผ่อนปรนจากพระผู้บานของพวกเจ้าและเป็นความเมตตาด้วยแล้วผู้ใดละเมิดหลังจากนั้น เขาก็จะรับการลงโทษอย่างเจ็บแสกและในการประหารฆาตกรให้ตายตามนั้นคือการถนรงไว้ซึ่งชีวิตสําหรับพวกเจ้าโอ้พูมีสติปัญญาทั้งหลายเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยําเกรย การทำพินัยกรรมให้แก่ผู้บังเกิดกล่าวทั้งสองและบรรดาญาติที่ใกล้ชิดโดยชอบทำนั้น ได้ถูกกำหนดขึ้นแก่พวกเจ้าแล้วเพื่อความตายได้มายัางคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าหากพวกเขาทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ทั้งนี้เป็นหน้าที่แก่ผู้ยำเกรงทั้งหลาย และผู้ใดเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมหลังจากที่เขาได้ยินมันแล้วโทษแห่งการเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมนั้นก็ตกอยู่แก่บรรดาผู้เปลี่ยนแปลงพินัยกรรมนั้นเท่านั้นแท้จริงอัลลอฮ์ทรงได้ยินทรงรอบรู้ <S <S <S <S แล้วผู้ใดเกรงว่าผู้ทาพินัยกรรมไม่มีความเป็นทรงโดยไม่รู้หรือกระทําความผิดโดยเจตนาแล้วเขาได้ประนีประนอมในระหว่างพวกเขาก็ไม่มีโทษใดๆแก่เขาแท้จริงอ๋ะเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาสม ك ك ت ت บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีนโถนนั้นได้เคยถูกกาหนดแก่พวกเจ้าแล้วเช่นเดียวกับที่เคยถูกกาหนดแก่บรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้วเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ยำเคย أيام ا معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام ا أ خ ر وعلى الذين يطيقون ه فدية طعام م س ك ي ن فمن تطوع خيرا فهو خير ل ه وأن تصوم خير لكم إن ค, คือถูกกำหนดให้ถือในบรรดาวันที่ถูกนับไวแล้วผู้ใดในพวกเจ้าป่วยหรืออยู่ในการเดินทางให้ถือใช้ในวันอื่นได้และหน้าที่ของบรรดาผู้ที่ถือสินอดด้วยความลำบากยิ่งโดยที่เขาได้งดเว้นการถือนั้นคือต้องชดเชยอันได้แก่การให้อาหารมื้อหนึ่ง แก่คนขัดสนคนหนึ่งต่อการงดเว้นจากการถือหนึ่งวันแต่ผู้ใดกระทำความดีโดยสมัครใจมันก็เป็นความดีแก่เขาและการที่พวกเจ้าจะถือสินดนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าแก่พวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้ هدى للناس ِ وبينات ٍَ من َِ الهدى والفقهان فما شهد ََِ منكم ُ الشهر ََّْ فليصمت ُ و َ م َ ن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى ُرِيدُ الْيُسْرَ يُرِيدُ اللَّهُ وَلَا เดือนรอมฎอนนั watering, ้นเป็นเดือนที่คัมภีร์อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาในฐานะเป็นทางนำสำหรับมนุษย์ และเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งเกี่ยวกับทางนานั้นและเกี่ยวกับสิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จดังนั้นผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเข้าอยู่ในเดือนนั้นแล้วก็จึงถือสินดนในเดือนนั้นและผู้ใดป่วยหรืออยู่ในการเดินทางก็จงถือใช้ในวันอื่นแทนอโลทรงประสงค์ให้มีความสะดวกแก่พวกเจ้า และไม่ทรงให้มีความยากลําบากแก่พวกเจ้าและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ครบถ้วนซึ่งจํานวนวันของเดือนอมาดอนและเพื่อพวกเจ้าจะได้ให้ความเกรงใจแด่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์แนะนําแก่พวกเจ้าและเพื่อพวกเจ้าจะขอบคุณว ني, อออิซลกกบดนนนีีร لي لي และเมื่อบาวของข้าถามเจ้าถึงข้าแล้วก็จงตอบเถิดว่าถ้าจริงข้านั้นอยู่ใกล้ข้าจะตอบรับคำวิงวอนของผู้ที่วิงบอนเมื่อเขาวิงวอนขอแต่ข้า ดังนั้นพวกเขาจงตอบรับข้าเถิดและสถาต่อข้าเพื่อว่าพวกเขาจะได้อยู่ในทางที่ถูกต้องโอฮิลละกุมไลลาตัสซิยามิรรอฟะตุอิลาลิซาอิกุมหุนลิบาซุลละกุมวะอันตุมลิบาสุลละฮุน علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن ب ا ش ر ه ّ وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وشربو ا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثُمَّ أَتِمْ مُصِّيَامَ تُبَاشِرُوهُنَّ وا وَأَنْتُمْ تِلْكَ تَقْرَبُوْهَا آيَاتِهِ يَتَّقُونَ اللَّيْلِ فِي يُبَيِّنُ وَلَا عَاكِفُونَ الْمَسَاجِدَ اللَّهِ فَلَا كَذَارِكَ اللَّهُ لِلنَّاسِ إِلَى لَعَلَّهُمْ حُدُودُ ได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์กับปัญญาของพวกเจ้าในค่ำคืนของการถือศิลนุ่นนางทั้งหลายนั้นเป็นเครื่องนุ่งห่มของพวกเจ้าและพวกเจ้าก็เป็นเครื่องนุ่งห่มของพวกนางอเลสทรงรู้ว่าพวกเจ้านั้นเคยทุจริตต่อตัวเองแล้วพระองค์ก็ทรงยกโทษให้แก่พวกเจ้าและอาภาัยให้แก่พวกเจ้าแล้วบัดนี้พวกเจ้าจงมีเพศสัมพันธ์กับพวกนางได้ และแสวงหาสิ่งที่อลัลลอฮ์ได้ทรงกําหนดให้แก่พวกเจ้าเถิดและจงกินและดื่มจนกระทั่งเส้นขาวจะประจักษ์แก่พวกเจ้าจากเส้นดำเนื่องจากแสงอรุณแล้วพวกเจ้าจงให้การถือเส้น ด, ดครบเต็มจนถึงครบกลําและพวกเจ้าจงอย่ามีเพศสัมพันธ์กับพวกนางขณะที่พวกเจ้าเอียติกาฟอยู่ในมัสยสิดนั่นคือบรรดาขอบเขตของอลัลลอฮ์ ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าเข้าใกล้ขอบเขตนั้นในทํานองนั้นแหละอลัลลอฮ์ทรงแจกแจงบรรดาองค์การของพระองค์แก่มนุษย์เพื่อว่าพวกเขาจะได้ยำเกรอ ลลิิ ال ال ิิิิตกูรมมนนนวบอและพวกเจ้าจงอยากินทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าระหว่างพวกเจ้าโดยมิชอบและจงอย่าจ่ายมันให้แก่ผู้พิพากษาเพื่อที่พวกเจ้าจะกินส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติของผู้อื่นด้วยการทำบาป ทั้งที่พวกเจ้าก็รู้อยู่ เขาเหล่านั้นจะถามเจ้ามุฮัมมัดเกี่ยวกับเดือนแรกจงกล่าวเถิดมันคือกำหนดเวลาต่างๆสำหรับมนุษย์และสำหรับประกอบพิธีฮัจจ์และหาใช่เป็นคุณธรรมไม่ในการที่พวกเจ้าเข้าบ้านทางหลังบ้านแต่ถ้าว่าคุณธรรมนั้นคือผู้ทยียำเกรงต่างหากและพวกเจ้าจงเข้าบ้านทางประตูบ้าน และพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอ์เถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จและพวกเจ้าจงต่อสู้ในทางขอล้อต่อบรรดาผู้ที่ทำร้ายพวกเจ้าและจงอยา่าลุกรานแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงชอบบรรดาผู้รุกราน و َ ق ْ ت ُ ل ُ و ه ُ م ْ حَيْثُ ث َ ق ِ ف ْ ت ُ م ُ و ه ُ م ْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ف َ إ ِ ن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِ และจงสังหารพวกเขาณที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าพบพวกเขาและจงขับไล่พวกเขาออกจากที่ที่พวกเขาเคยขับไล่พวกเจ้าออกและการให้มีภาคีแก่ล้อนั้นร้ายแรงยิ่งกว่าการสังหารซี่และจงอย่าสู้รบกับพวกเขาณมัสยิดฮารอมจนกว่าพวกเขาจะทำร้ายพวกเจ้าในที่นั้นหากพวกเขาทำร้ายพวกเจ้าก็จงสังหารพวกเขาเสีย เช่นนั้นแหละคือการโต้อตอบผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วถ้าหาพวกเขายุติแน่นอนอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ และจงสู้รบกับพวกเขาจนกว่าการตั้งพาคีต่อรถจะไม่ปรากฏขึ้นและจนกว่าศาสนานั้นจะเป็นไปเพื่ออะไรเท่านั้นแต่ถ้าพวกเขายุติก็ย่อมไม่มีการเป็นปฏิปกักษ์ใดๆนอกจากแก่บรรดาผู้อาธรรมเท่านั้น ا ل ش ْ ه ر ر ش ه ْ ر ُ ا ل ح َ ر َ ا م ُ بِشْشَهْرِ ا ل ح َ ر َ ا م ِ و َ ا ل ح ُ ر م ا ت ُ ق ِ ص َ ا ص ف م َ ن ا ع ت َ د ى ع ل َ ي ك ُ م ف ا ع ْ ت َ د ُ و ْ عَلَيْهِ ب ِ م ِْ ل ِ م َ ع ت َ د ى ع ل َ ي ك م ْ و َ ا ت ق ُ و ا ا ل ل َّ ه و َ ع ل م ُ و ا أ َ ن ّ ا ل ل َّ ه م ع ا ل م ُ ت َّ ق ي ن เดือนที่ต้องห้ามนั้นก็ด้วยเดือนที่ต้องห้ามและบรรดาสิ่งจําเป็นนต้้องเารัน ก็ย่อมมีการโต้อตอบเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ใดละเมิดต่อพวกเจ้าก็จงโต้อตอบเขาเยี่ยงที่เขาละเมิดต่อพวกเจ้าและพึงยำเกรง อ, อ, อัลลอฮ์เถิดและจงรู้ไว้ด้ยวยว่าแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นทรงอยู่กับบรรดาผู้ยำเกรงทั้งหลายวาบบ ล, ลลลตุลกุกกออม اللَّهَ และพวกเจ้าจงบริจาคในหนทางขอล้อและจงอย่ายโยนตัวของพวกเจ้าลงสู่ความพินาศและจงทำดีเถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงชอบผู้กระทำความดีทั้งหลาย فإن أ ح ص ر ت م فمستيسر من الهدى ولا تحلق و ا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى م ح ل ه فمن كان منكم مريضا أو به أ ذ م من رأسه ف ف د ي ة ف د ي ت م من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أ م ن ت م ف م ن تمتّع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من ا ل ه د ي ف م ن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام และพวกเจ้าจงให้สมบูรณ์กับการทำฮัจและการทำอุมร้อเพื่ออัลลอเถอะแล้วถ้าพวกเจ้าถูกสกัดกัน้นก็ให้เชือดสัตว์พลีที่หาได้ง่ายและจงอย่าโกนศีรษะพวกเจ้าจนกว่าสัตว์พลีนั้นจะถึงที่ของมัน แล้วผู้ใดในหมู่พวกเจ้าป่วยหรือที่เขามีสิ่งก่อความเดือดร้อนจากศรีรษะของเข า, ขเขาก็ให้มีการชดเชยอันได้แก่การถือสิณดหรือการทำถานหรือการเชืออสัตว์ครั้นเมื่อพวกเจ้าปลอดภัยแล้วผู้ใดสแสวงหาผลประโยชน์จนถึงช่วงของฮัชด้วยการทำอุมระองแล้วก็ให้เชือดสัตว์พลีที่หาได้ง่ายผู้ใดที่หาไม่ได้ก็ให้ถือสิณดสามวันในระหว่างการทำฮัช และอีกเจ็ดวันเมื่อพวกเจ้ากลับบ้านแล้วนั่นคือครบสิบวันดังกล่าวนั้นสำหรับผู้ที่ครอบครัวของเขาไม่ได้อยู่ใกลม้มัสยิดฮารอมและพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและพึงรู้ด้วยว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงลงโทษที่รุนแจจงรงมม فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ فَلَا رَفَثَ فِي وَمَا ال مِنْ خَيْرٍ خَيْرَ يَعْلَمْهُ الْحَجَّ وَلَا وَلَا جِدَالَ الْحَجَّ تَفْعَدُوا اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا الزَّادِ التَّقْوَى خُسُوْقَ وَاتَّقُونِيَا เวลา ا ำฮัจญ์น ج ้นมีอยู่หลายเดือน อันเป็นที่ ท, ทราบกันอยู่แล้วดังนั้นผู้ใดที่ได้การทาพัดจำเป็นแก่เขาในเดือนเหล่านั้นก็ต้องไม่มีเพศสัมพันธ์และไม่มีการละเมิดและไม่มีการวิวาดใดๆในเวลาทำพัชและความดีใดๆที่พวกเจ้าได้กระทำแล้วอัลลอฮ์ทรงรู้ดีแหละพวกเจ้าจงเตรียมสเบียงเถอะแท้จริงสเบียงที่ดีที่สุดนั้นคือความําเกง มีปัญญาาล ليس عليكم جناح أن تبتغوا ض ل ا, أ ض من ربكم فإذا أفظت من عرفات فذكر الله عند ا ل م ش ع ر الحرام ไม่มีโทษใดๆแก่พวกเจ้าการที่พวกเจ้าสแสวงหาความกรุณาอย่างหนึ่งอย่างใดจากพระผูยบาลของพวกเจ้าครั้นเมื่อพวกเจ้าได้หลั่งไหลกันออกจากอราฟ่าแล้วชงกล่าวดำลึกถึงอัลลอฮ์ะนะ มัสอาินฮารอและจงกล่าวดำลึกถึงพระองค์ดังที่พระองค์ได้ทรงแนะนำพวกเจ้าไว้และแท้จริงก่อนหน้านั้นพวกเจ้าเคยอยู่ในหมู่ผู้หลงทางทุมม่ฟิรุมในทีอฟาดัห น, นาสวัสตัอิรุลลอฮ์อินนัลลอฮ์อัลลอฮรอัลฮ แล้วพวกเจ้าจงหลั่งไหลกันออกไปจากที่ที่ผู้คนหลั่งไหลกันออกไปและจงขออภัยต่อ อ, อัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภยัยผู้ทรงเมตตาเสมอ فإذا قضيتم مناسككم فذكر الله كذكركم آباءكم أو أشد ذ ิกรา ท่านเมื่อพวกเจ้าประกอบพิธีฮัจจ์ของพวกเจ้าเสร็จแล้วก็จงกล่าวรำลึกถึงอัลลอดังที่พวกเจ้ากล่าวรำลึกถึงบรรพบุรุษของพวกเจ้าหรือกล่าวรำลึกให้มากยิ่งกว่าในหมู่มนุษย์นั้นมีพว้กล่าวว่า โอ้พระผู้วิบาลของเราโปรดประทานให้แก่พวกเราในโลกนี้ด้วยเถิดและเขาจะไม่ได้รับส่วนดีๆใ ด, ดในปอรโลก